ไม่ทราบว่าจะให้เทนเลยไม่ว่าจะนั่งสมาธิกันสักครู่หน่อยเสียงครนนี้มันยังค่อนข้างจะดังอยู่ฟังวอาจารย์ฟังไม่ค่อยได้ยินนั่งสักสิบห้าสิเดี๋ยวฝนก็คงจะหยุดให้เสียงมันเงียบกว่านอี้สักหน่อยแล้วเวลาพูดธรรมะจะได้ฟังแบบสบาย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 ใจก็จะเบาความคิดก็จะน้อยลงไปและจะสงบได้จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบดังนั้นถ้าท่านใช้พุทธโธก็ขอให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปสนใจกับเสียงหรือกับอะไรที่เข้ามาแทรก ให้เกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่บางทีชา้าความคิดเข้ามาแทรกมากก็บริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นถ้าใช้ดูลมหายใจก็ดูตดูหยุดบริเวณปลายจมูกหรือเหนือบริเวณริมฝีปากขึ้นมา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 เดี๋ยวพอเสียงฝนเสียงฟ้าสงบแล้วค่อยสนทนากันต่อ <S <S วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมกันอีกครั้งหนึ่ง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 จนได้ บ, บรรลุผลที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้บรรลุกันแต่หลังจากนั้นแล้วพระองค์ต้องศึกษาด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครที่จะรู้ทมที่สูงกว่าขั้นของสมาธิทรงศึกษาทำขั้นศีลขั้นสมาธิกับครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความชงนาญ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 รู้จากวิธีที่จะทำให้จิตหลุดพ้นได้ชั่วคราวในขณะที่เข้าไปในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มผลิตความทุกข์ขึ้นมาใหม่พระองค์เลยต้องทรงศึกษาด้วยพระองค์เองแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงได้วินิจฉัยได้ศึกษาจนได้พบกับ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 คือยังไม่มีศีลสมาธิที่สมบูรณ์พอมาบวชแล้วการกระทำบางอย่างก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนและต่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ใช้การวินิจฉัยพิจารณาแก้ไขเวลาที่มีท่าภิกษุไปปฏิบัติตนที่ไม่สมควร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 เพราะว่าในระยะแรกๆไม่มีผู้ที่ปฏิบัติตนที่ทำให้เกิดการเสียหายแต่ต่อมาพอมีผู้มีศรัทธามาบวชกันมากขึ้นแล้วก็จิตใจไม่มีคุณธรรมคือศีลและสมาธิที่สมบูรณ์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 นี่คือกระบวนการห้ากระบวนการด้วยกันที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองให้อยู่คู่กับโลกไปได้นานแสนนานถ้าไม่มีกระบวนการทั้งห้ากระบวนการนี้ไม่ครบการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการที่จะ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 ความรู้ที่ได้นี้ที่ไปเผยแพร่นี้จะเป็นความรู้ที่เรียกว่าเปื่อนด้วยความหลงเพราะจิตของผู้ที่ฟังธรรมนี้ยังไม่ได้ชำระความหลงยังมีความหลงครอบงามจิตใจอยู่พอความรู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาสัมผัสกับใจของผู้ที่มีความหลง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 ก็นี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ต้องเห็นด้วยตาสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นต้องเห็นด้วยตาต้องบรรลุ ธ, ธรรมด้วยการปฏิบัติถ้าบรรลุ ธ, ธรรมด้วยการปฏิบัติแล้วจะเห็นอย่างชัดเจนถูกต้องแม่นยําเวลาที่นําเอาสิ่งที่ตนได้เห็นมาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นก็จะเผยแผ่ได้อย่างแม่นยํา ผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็จะสามารถนำเอาไปพิสูจน์เอาไปปฏิบัติได้เห็นผลได้อย่างเดียวกันสมัยนี้สิ่งที่รู้สึกจะขาดกันก็คือขั้นตอนที่สองและขั้นตอนที่สามคือมีแต่ปริยตคือการศึกษาแต่ไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรม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 อันนี้กเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามขบวนการที่พระพุทธเจ้าได้ท่งนำเดินมานั่นเองถ้าพระภิกษุทุกลูปที่มาบวชในบวอนของพระพุทธศาสนาได้ดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยมี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 ท่านก็บำเพ็ญศึกษาปริยัตก่อนศึกษาจากครูบาอาจารย์ก่อนเสร็จแล้วท่านก็ไปปฏิบัติบัติจนในที่สุดท่านก็ไปบรรลุผลที่เชียงใหม่ในอายุระหว่าง 60-70 ถึงปีด้วยกันหลังจากนั้นท่านกม็มาอบรมสั่งสอนให้แก่พระภิกษุสามนเณร ที่มีจิตศรัทธาที่จะศึกษาปฏิบัติกับท่านก็เลยมีปรากฏมีครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบว่า้บูชากันขึ้นมาเป็นจํานวนมากอันนี้ก็เกิดจากการที่หลวงปู่มั่นมีความแน่วแน่แนต่อการดําเนินตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินก็คือศึกษาปฏิบัติบรรลุธรรม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 ที่เป็นสิ่งที่เลิศที่วิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราควรจะฟังทำเพื่อให้เกิดอิทธิบาทสีขึ้นมาคือเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะน้อมเอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังในี้ไปปฏิบัติกันอย่างเข้มข้น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 พิจารณากันถ้าเราอยากจะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติก้าวเข้าสู่การบรรลุธรรมถ้าเราไม่แก้ไขเราติดอยู่ที่ขั้นนี้เราก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่เรากําลังติดอยู่ในตอนนี้คิดดูก็แล้วกันก็เก้าปีด้วยกันครังแล้วก็หนึ่งร้อยหนึ่งรอยแปดครั้งพอดี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 พวกเราเหมือนกับได้มาเกิดเป็นลูกของมาหาเศรษฐีกันพระพุทธเจ้านี่แหละคือมาหาเศรษฐีที่แท้จริงเพราะท่านมีทรัพย์ที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้คือทรัพย์ภายในคือมรรคสีผลสีนิพพานเหนี่ยพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์ที่จะรับมรดกที่พระพุทธเจ้า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 เท่านั้นข้นสวรรค์ชั้นเทศสวรรค์ชั้นผมเท่านั้นแต่จะไม่มีสวรรค์ชั้นมรชั้นมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานอย่างนีน้ไม่มีในศาสนาใดทั้งนั้นนอกจากพระพุทธศาสนาเนี่ยชาตินี้เราถือว่าเราโชคดีได้มาเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีเราจึงควรที่จะเตรียมตัวรับมรดก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 ว่าเขากำลังประชิดเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆถ้าเขาเข้ามาครอบคลองร่างกายเราเมื่อไหร่เวลานั้นการศึกษาการปฏิบัติเพื่อการมารู้ธรรมนี้จะยากขึ้นไปตามลำดับและจะหมดไปในที่สุดคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงกับความสุดเล็กๆลกน้อยที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ นต่างๆเราจะได้ยุติการหาความสุขเหล่านี้ด้วยการรักษาศีล8 แ, แล้วก็ใช้เวลาที่ว่างจากการหาความสุขทั้งตาหูจมู ก, กลิ้นกายให้กับการเจริญสติกับการนั่งสมาธิและกับการเจริญปัญญาแล้วผลของ ทำขั้นต่างๆก็จะเป็นผลปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวหาปุราปาเรปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตททนงังเปตานาังอุปกาปติ อิทิตังปฏติตางตุมหังคิดเปเมวัสมิจฉาตุสัพเพปุริเณตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจันตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตผวะทวันตาบาโยสุทีธีขาโยโกลวะอภิวาทนศีลิสะนิจังวุธาประจายโนยะตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุข้างพาลังขั้นต่อไปกของจะ ถวายข้าวถาวายของกันใครอยากจะได้นังสือวันนี้มีนังสือเล่มใหม่ออกมาเพ่ออ ม, มธรรมะบนเขาแล้วก็มีประวัติหลวงตามาเพิ่ ม, มต่อไปนี้จะขอตอบปัญหาที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตครับมีเป็นคำถามจากทาง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 ก็ลองดูทองคำขนาดเมล็เข้าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าพันหนึ่งถ้ารักเกินพันหนึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นประราชิกได้แต่การจะเป็นประราชิกหรือไม่นี่เขาก็ะะจะต้องมีคณะกรรมการสงขึ้นมาพิจารณาอีกทีนึงก็เหมือนศาลเนี่ยถ้าพระถูกกล่าวหาว่ารักทรัพย์ก็ต้องไปแจ้งให้แก่พระ เทระผู้ที่ปกครองพระสงฆ์รูปนั้นแล้วพระเถระท่านก็จะต้องัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยตัดสินต่อไปโือเขากล่าวไว้ว่าอยิ่งวัดเนี่ยครับไม่ได้สอนพระใหม่อาจผิดได้ง่ายๆแล้วเพื่อนเขาเนี่ยกำลังจะบวชใหม่ก็ยังไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะทําให้สังฆกรรมไม่สมบูรณ์ครับไม่พระทุกรูปที่บวชปั๊บนี่เขาจะสอนทันทีเลย ก็มีอนุาสา์คือคาสอนที่เวลาเสร็จจากการ อ, อุปสมบทนี่ท่านจะต้องสอนทันทีมีกิจที่ไม่พึงกระทํา4ข้อแล้วกิจที่พึงกระทํา4ข้อกิจที่ไม่พึงกระทํา4ข้อก็คือ1เศรษเมถุนคือรวบเศษกาม2ลักสองฆ่ามนุษย์3ลักทรัพย์สี่อุตระคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตน นี่ก็จะสอนทันทีเลยเพอออกมาจากโบทนี่ต้องสอนในวันนั้นเลยนะาชิกสส่วนกิจที่พึงกระทําก็มีอยู่4คือหนึ่งบินทบาตเลี้ยงชีพสองใช้ผ้าบังสกุลสอยู่อยู่อยู่ตามคนไม้ 4. ใช้ยาดองน้ำมูดเป็นยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บคือสอนให้พระมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิด ไม่ต้องกังวลหละมี ม, มีแล้วเขามีพระที่เลี้ยงก่อนที่จะต้องคอยอบรมเวลาบวชนี่แต่อย่างว่านั้นนี่เราพูดในในวัดที่มีมีกิจกรรมเหล่านี้แต่วัดอื่นบางทีเขาบวชเช้าสึกเย็นเขาก็อาจจะไม่มีถ้าไปบวชวัดแบบนั้นก็ ก, ก, ก็ต้องต้องช่วยตัวเองต้องศึกษาเองก่อนก็ไม่ยากเย็นอะไรคนที่เราจะบวช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 เวลาไม่สบายใจก็บวช เ, เวลาเวลากิจกรรมไม่ดีกิจกา ร, รมไม่ดีก็บวชเวลาแฟนทิ้งไปก็บวชไมมียัติดเลยไหว่าห้ามบวชเกินอีกครั้งไม่มีแล อ, อาบได้ถ้าถ้าไม่ปารลราชิกก็ยังบวชได้แต่เรามีคากล่าวในสมัยโบราณว่าชายสามบวชคือแสดงว่าเป็นคน ไม่เอาจริงเอาจังบวชแล้วพอเจอเจอของยากลำบากก็เสดพอเสดกลับมาเจอชีวิตของคารวาที่ยากลำบากก็บวชอั <c oughs> นนีไปนีมานีบวชแล้วก็ให้สมัยก่อนเขาบวชไม่เสด ก, กันการบวชเขาไม่มีการเสด ก, กันเพราะว่ามีการบวชแล้วมีการบรรลุธรรมกัน ก็เลยไม่มีใครอยากจะสึกกันเพราะถ้าบรรลุธรรมแล้วมันไม่มีอะไรจะวิเศษต่อการอยู่แบบสมนภเพศเพราะคนบนรรลุแล้วไม่มีความหิวความอยากในลาบยศสรรเสริญเพราะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือนัตติสันติบาลังสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าใครได้ความสุขนี้แล้วจะไม่ต้องการอะไรทั้งนั้น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 อ่นแล้วะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อ่ามีคำถามเป็นคถามหนึ่งเอ า, เอาไมค์ไปหน่อยหีหยไม่ได้ยินชาัอ่าสมาธิือระดับสมาธิเาุรก็สมาธิ ท, ทุกวิธีการบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาสักตววรู เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งการเพ่งเกสินหรือการบริกรรมพุทโธนี้เป็นเหตุที่จะนำให้ไปสู่ผลนั้นเหตุวีอยู่สี่สิชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิจะใช้แบบไหนก็ได้ผลก็จะได้เหมือนกันไม่ได้ยินเกสินนี้คือแสงคือสีต่างๆไง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 แต่ไม่ค่อยมีใครสอนไม่มีใครปฏิบัติกันส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติอาณาปณะสติหรือพุทธานุสติกันเป็นหลักแต่ก็ไม่ห้ามใครอยากจะปฏิบัติอย่างนั้นก็ได้ว่าะในอดีตชาติอาจจะเคยฝึกมาทางนี้ก็ได้ออัในนั้นให้เพ่งให้เพ่งประดูกสังขารก็คือให้ดูอสุภะอย่างนี้อ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 การมารลมมันก็จะดับไปเวลาเกิดการอารลมก็ต้องใช้การเพ่งอสุภะดูอสุภะพิจารณาอาสุภะแล้วก็จะดับการมารลมได้ <Yeah. S 1> คือการเห็นทุกข์นี้มันก็เป็น <c oughs> เห็นทุกข์ที่เกิดจากการอารลมไงเวลาเราเกิดการมารณมนี่เราอยู่ไม่เป็นปกติใช่ไหมอยู่ไม่เป็นสุขต้องห า, าหาร่างกายของผู้อื่นมาเสก พอเราดับกามารมณ์นั้นได้ความทุกข์มันก็จะหายไปเราก็จะเห็นว่าทุกข์ของเรานี้เกิดจากการอารมณ์ความอยากในกามนี้และการอารมณ์จะดับได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นอสุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายาใช่ถ้าเราเห็นความไม่สวยงามบ่อยๆเราก็จะเบื่อน่ายกับร่างกายเบื่อน่ายกับการารมณ์ไปอ่าแล้วนะนั้นก็